50 languages. สิบแปการทาความสะอาดบ้าน म न े स ् व च ् छ त วันนี้เป็นวันเสาร์ हिंदू श न ि व ा र วันนี้เรามีเวลา อินดูนามาเกสัมยาเดวันนี้เราจะทำความสะอาดอาพาร์ตเมนต์อินดูน้าวุมันยันโนชุชิมาดุเตเวดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำนาโนบัตชัลุมันยันโนโตรยุตติดเดนสามีของดิฉันกำลังล้างรถนันนักันด การนโนโต่ ต, ตัวเลี้ยุทธ์ตดด่เเด็กๆ ก, กำลังทำความสะอาดรถจักรยานมักกะโไซเคิลการันโน่ตัวเลยุ ต, ติดดารคุณย่าคุณยายกาลังรดน้าดอกไม้อา จ, จีดลนุหะติดด่าเรเ่เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก มักกะลูอว่ารักคนเงือกวอร์นาวากีุติด่าเสามีของดิฉันกาลังจัดโตทางานของเขานันนักันดาอรเมย์จันนู้วอรากุดติรดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้านนคบต์กันงมิชินัลี่หุติดเด ดิฉันกำลังตากผ้ า, น, าน้าหนูวเกิดบัตรเกลันหนูวนันนัหาุดติดเดนดิฉันกำลังรีดผ้านานูบัตรเกลันนูอิศรีมาดุติเดเดนีหน้าต่างสกปรกขีตาขีกลดูโคลยากเวพื้นห้องสกปรก เนลลาหลียางิด้วจานชามสกกรโกภาตระก๊าดูหดเลยาเวใครเช็ดหน้าต่างคิตาคีกัดนู้ยารู้ชุ่ชีมาดุต่าเรใครดูดฝุ่นยารู้ดูดหดเลียุต่าเรใครล้างจาน มัตรย์กําลังโนู้ยารู้ท